บารมีหลวงปู่มั่นและหลวงตามหาบัวอยากเล่าถึงบารมีของหลวงปู่มั่นและหลวงตามหาบัวให้ทราบ พ, พวกเราไปที่วัดป่าบ้านดอกแดงพังงาพบกับพระอาจารย์โลมลูกศิษย์ของหลวงตาตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นเมื่อท่านกลับไปช่วยลูกศิษย์ของท่านทางบ้านเกิดคือบ้านดอกแดงนี้ ท่านนำเอาสร้อยคอเรียนรูปหลวงตาไปด้วยเรียนรูปหลวงตานี้คุณสมยศเป็นเจ้าภาพใหญ่ได้เคยมีการนําออกแจกจ่ายลูกศิษย์ในช่วงช่วยชาติไปบ้างแล้วพระอาจารย์โลมได้แจกจ่ายเรียนนี้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่นั่นและท่านก็ได้เล่าให้พวกเราฟังถึงอนุภาพของเรียนรูปหลวงตานี้เรื่องที่จะเล่านี้ท่านอาจารย์โลมท่านฟังมาจากอบตของบ้านดอกแดงอีกทีหนึ่งอบตเล่าว่า หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิเขาคิดถึงป้าคนหนึ่งทันทีด้วยความเป็นห่วงถึงความปลอดภัยป้าคนนี้อายุกว่าหกสิบปีแล้วแข้งขาก็ไม่ค่อยดีปวดเข่าอยู่เสมอแกทำงานอยู่ในรีสอร์ทที่เขาหลักอบอตอคิดว่าป้าคงตายเป็นคนแรกเลยไม่น่ามีแรงวิ่งหนีภัยหลังเกิดเหตุอบอตอก็ขับรถไปสารวจดูชาวบ้านวัดป่าบ้านดอกแดงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับรีบไปเพื่อดูป้าคนนี้ ปรากฏว่าไปเจอป้าคนเนี้ยยังอยู่รอดปลอดภัยป้าแกหนีรอดมาได้แกเล่าว่าก่อนเกิดเหตุซึนามิแกฝันเห็นคลื่นลูกใหญ่น่ากลัวมากพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้ายังมีความรู้สึกถึงคลื่นใหญ่นั้นที่ไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วความที่มันยังชวนให้ไม่สบายใจอยู่แกก็คว้าสร้อยเหรีอนหลวงตาสวมคอไปทํางานด้วยแล้วป้าก็หนีรอดมาได้ด้วยบารมีของสร้อยคอองค์หลวงตาที่แขวนอยู่นี่แหละ ปาบอกว่าแกไม่มีอาการปวดเขา่าไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นวิ่งหนีคลื่นยักษ์ได้ชนิดที่ว่ายังอัศจรรย์ในตัวเองอยู่จนถึงทุกวันนี้แกเล่าให้อบอบตฟังว่าแกรอดชีวิตมาได้อย่างไม่น่าเชื่อก็ด้วยบา ร, รมีของหลวงตาท่านอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็อัศจรรย์ใจว่า เหลือรอดอยู่ได้อย่างไรในถ้ำกลางสิ่งรอบข้างที่พังหมดก็ปรากฏว่าเขาอัญเชิญรูปหลวงตาขึ้นหิ้งเป็นมงคลแก่ร้านแล้วร้านเขาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่กับอีกที่หนึ่งที่น่าอัศจรรย์มากคือวัดป่าท่าไสเป็นวัดป่าที่อยู่ติดทะเลมีพระปฏิบัติอยู่ราวส4สรูปในวัดมีพระประธานรวมทั้งรูปหลวงปู่มั่นและหลวงตามหาบัวด้วยจเจ้าอาวาดวินัยทะล่าให้ังว่า ท่านมองเห็นคลื่นจากตรงกลางทะเลลูกใหญ่มากแต่พอเข้าใกล้วัดคลื่นยักษ์กลับแยกออกซ้ายขวาอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งๆที่ไม่มีอะไรขวางพอที่จะให้คลื่นยกักษ์แยกออกไปได้อย่างที่เห็นคลื่นจึงไม่ได้ตรงดิ่งเข้ากระแทกวัดแต่แยกออกไปหมดซึ่งถ้าโดนคลื่นแบบเต็มๆทั้งพระและวัดคงไม่เหลือคงถูกคลื่นพาไปหมด เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ได้ไปเห็นเองและรับฟังมากับหูของตัวเองถึงบารมีของพระบูรพาจารย์และหลวงตาที่ได้ปกป้องให้พ้นภัยพิบัติ